หลั<อ>งทา <ำ S 2> ต, ต่ออีกสักสามิบนาทีตมามวัดก็สามสิบนาทีสาธยายพระสูตรก็เป็นเรื่องของเหล่านี้แหละเหมือนกับพระพรุทธเจา้าได้ช่วยมีส่วนร่วมกับการ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 แล้วก็ให้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในการทำให้กายใจของเราพ้นพิดพ้นภัยไปช่วยกันดูแลรักษาสนับสนุนกันก็มีทางเดียวคือการบอกเล่าให้กันฟังเหมือนกับร่วมมือรักษาชีวิตของเราหมือนกันหมด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 มันหลงเรามีสติไม่หลงมันโกรธเรามีสติไม่โกรธเปนทุกขเรามีสติไม่ทุกขมามีสติเรื่องนี้กันให้จ100ุดรอยปซอย่าให้เป็นสาธารณะเกินไปสำสอนเกินไปนี่เราเห็นอย่างนี้สมมาทิฏฐิเห็นมันหลงเปลยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ย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 มันก็เริ่ ม, มปับ<ไ>ปลงไปเป็นปัญญาแล้ว <c oughs> หาไม่ยา ก, ยากว่าได้คุยเคี่ยหาเหมือนหาเหงินหาทองอาเงือจากน้ำก็จะได้มาเอาเงือไเป็นกแต่อัน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 สั่มาสังกับโปดําริดำริออกจากทุกอะไรที่วันไม่ดีดำริออกถ้าดำริออกจากความชั่ว<อ>ยันทำความดีจะเรียกว่านักบวชก็ได้บวชทางจิตวิญญาณ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 กวามเห็นชอบการนาฏิชอบเป็นปัญญา่มามาพูดจาชอบการงานชอบเลี่ยงชีวิตชอ บ, ปอบเป็นชินหลห้วปล่ญญาเนยหาไม่ยากนะนีสติมันก็เป็นไปเองมีอะไรชอบเกิดขึ้นหลายอย่างอ่ อ, อข้อสุดท้าย สองข้อสุดท้ายสองข้อต้นเป็นปัญญาสี่ข้ อ, อต่างๆเป็นศีลสมาาสัมมาสติเป็ น, เ ป, นเป็นสมาธิระววนะงั้นเราทำอย่างนี้กายากายเยนรูประเสริฐตีมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสมาธิแล้ววันแต่ที่เยายกมือขึ้น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 น่องชายหลวงพ่อเนี่ยแต่แปรเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอาขนข้าวจากหลานที่มาุ่งเนี่ยให้มันไปอะันไปถึงบ้านตัวอ่องเลยเนี่ยมันมันใช้ได้สัมมา ส, สมาธินี่มันใช้งานได้แล้วผลงานที่เราฝึกตั้งแต่ปัญญาศีลตั้งแต่เราสอนกายจากักากายเนี่ย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 ทำให้มันเป็นมันใช่เป็นมา ใ, ใช่มันรู้ทำ่ไม่เป็น<ม>การทำให้เป็นเราเปิกตนสอนตอ น, ตนไม่ใช่คนอื่นสอนไม่ใช่คาสอนมางัดเอาการมาถานไม่ใช่เรื่องมาสอนกันนั่งสอนกันเอาไปหัดเอาถ้าไม่หัดมันทำให้เป็นมีแต่รู้เรสอนเราสอนได้ <c oughs>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 กาทำให้มันเป็นเนี่ยการทําให้เป็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองหลงวาอหลงก็เป็นดีลูกอยู่แล้วโกรธไม่ดีทุกไม่ดีใครก็รู้แต่เรายังหลงอยู่ยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่ความลูกมันใช่ไม่ได้ถ้าไม่เอาบางังคับต้องบังคัดว่าฝึกอย่างนี้แหละ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 บอก็จ้างไปสารว่าถ้าตายก็ไปแจ้งหลวงพิบานให้เขาเหมาศพไานะบัดมาหายไปแล้วบัวันที่ศพเขาเต้องพิกหนังพิกอะไรม้าปาดดูก็ดูตำรลาไปชำแหละไปตั้งแต่ฝ่าเท้า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 ชีวิตเราก็รู้แล้วแต่ว่าทาดุกเนี่ยันกรมกน ร, รมการทำอย่างนี้บกกรรมกรรมมันจาแนกไปกรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นของจำแนกสัตว์ตำบาปเองเศ้าหวงเองไม่ทำบาปเองหมดจดเองการเศ้าหมองความหมดจดเป็นของเฉพาะตน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 เปียนมาเป็นลู่แล้วอ <c oughs> าจจะว่าลู่แล้วลู่แล้ว <c oughs> ก็ได้ไม่ต้องว่าหนออันความลู่ไม่ต้องออกมาเป็นวาจาเป็นเสียงพุโทโธก็ไม่ต้องว่าผู้ลู่ผู้ตืน่นผู้เบิกบานลู่แล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นั่นคือขนาเนี้ย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 เพาะมันเหยียบไปเหมือนเหมือนอ่ะไว้มีดแท็กเตอร์ที่มันผ่านไปมันก็ทําให้ทีมีขึ้นเรียบลงหรือเหมือนไม้กวดที่มันผ่านไปก็ทำให้ขี้ผุนออกมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นคําว่าศีลคําว่าสมาธิคําว่าปัญญาเนี่ยการจัดกิเลสอันเหยียบไปก่อน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 เมื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวรูป ม, มันก็จะใสขึ้นตาจะไม่คนไ ม, ม่มีโทษไม่ีโทษเมื่อตะกออกมันละลายเที่ยวแล้วมันไหลออกมาเลยตะก อ, อกอีกไห ล, ย, หลยังไงตะก อ, อกอีกไหลยังไงทำกันหน้ามันใสพอหน้ามาใสเราค่อาาายอาบเริ่มอาบแล้วค่อยๆตักมันอาบไปอาบน้ำทีไรก็ทําแบบนั้น นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราสมัยหลวงตาไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนตอนต้นๆห้าร้อยเก้าห้าร้อยิบห้ารอสิบน่เออมาปฏิบัติอยู่เออมันก็เหมือนหลวงพ่อว่าจริงๆ น, นั่นะมันหลงที่ไหนตะกอกอยาให้หลงเป็นหลงต้อปล่อยมันคุณอยู่คุณอยู่นั่นแหละแล้วไม่เปลี่ยนเป็นโล่ มันโกรธเปลี่ยนมันโกรธอยู่ล้วไม่เปลี่ยนให้เป็นได้โกรธเพราะก็คุนอยู่ด้านมันใช่ไม่ได้จริงๆพอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนมันใช้ได้มันใช้ได้ชีวิตของเรามีประโยชน์ไม่มีโทษเจอตอบไม่มีโทษต่อคนอื่นจริงๆนี่ปฏิบัติธรรมเราทาแบบนี้ไม่ใช่อ้อนวอนมีแต่ว่ายมีแต่กราบ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 มันพาไปความถูกมันพาไปความผิดมันบอกความถูกพามันก็บอกกว่าเรามั่นใจเหมือ น, นคนขับรถมันก็หัดรถขับใหม่ๆมันก็มันจะรถจะไปทางหนึ่งล้วจะไปทางหนึ่งมันเราหัดชียจักรยานนะ